เร า, าก็นมาลงกนรบาส่วนบนธรรมวัดนะก็ัแล้วตอนทำเราก็ปฏิบัติธรรมกันนะในวันเส า, านี้หนะึ่งเราได้เรียนคนนะมีบทที่บอกว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นของที่มันไม่เทีย่ยงไม่เทีย่ยงก็คือว่า ขังมันไม่ได้ดำรงอยู่ตลอดไปนะชีวิตที่เรามีนะมันเป็นของที่มันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าตลอดกาลนั้นนาะนมันคือของที่เรียกว่าไม่เที่ยมนะมีความเกิดมีความดับไปเป็นธรรมดาแต่ความตายนะความตายเนี่เป็นของเที่ยมนะก็คือว่ามันเกิดขึ้นแล้วต้องตายแน่นอน เป็นสิ่งที่เรียกว่าชีวิตมันได้รับการพิภาคษามาแล้วาาลว่าอย่างไรคนเราทุกคนเกิดมาก็ต้องตายไม่ใช่แต่คนเท่านั้นนะแม้แต่สัตว์ไม่แต่สิ่งมีชีวิตหรือปิทยายอย่างอื่นก็เหมือนกันเกิดมาแล้วก็ต้องตายเหมือนกันหรือแม้ไม่ใช่สัตว์จะเป็นพืชหรือเป็นวัตถุเป็นตึกเป็นนก เป็นข้อของเคลื่อนไทนะก็เป็นก่ อ, อ, อ, ท, นะกกอที่ไม่เทีย่ยงนะมีการตายหรือเสื่อมสลายนะเป็นธรรมดานะการตายการเสื่อมสลายก็คือสภาวะที่เรียกว่าทุกข์ก็ไดนะ้ทุกข์ก็คือการที่เรียกว่าไม่สามารถตั้งทนอยู่ได้ในอาการเดิมได้ตลอดไปนะทุกข์อาจจะไม่ใช่เพียงแค่ต้องร้องไห้เสียใจหรือว่ากันะงวลใจนะ แต่ทุ ก, ก็คือว่าสภาวะที่เรียกว่ามันไม่คงที่มันไม่แน่นอนมันเปลี่ยนกับไปอันนี้ก็คือ ค, อความทุกข์เช่นตึกนะสร้าง ม, มาห้าสิบปีมันทุกมากมันก็เลยถลนะนะ่มนงมาต้นไม้คนแก่สนะอง3า0รอปนะีกิ่งก้านใบก็หักลงด้านะก็ไม่สามารถหาอาหารได้มันก็ดับไปเป็นธรรมดา หรือใบไม้นะ่ะมันงอกติดกับกิ่งก้านมาหลายหลายวันหรือว่าอาจจะเป็นฤดูการสุดท้ายก็เหนียวแห้งแล้วก็ร่วงโรยไปนะหรือสัตวนะ์บางชนิดก็มีอายุอย่างมากเป็นแค่เจ็ดวันนะต้องตายไปอันนี้คือภาวะที่เรียกว่าทุกขนะ์ที่จริงนะ การที่เราได้มีชีวิตยอยู่ก็คือการที่เราได้เกิดมานะแล้วก็การดับไปก็คือสภาวะที่มันมันทุกขนะ์มันก็ได้ดับไปขอมันเนะี่อันนี้เป็นธรรมดาของของทุกชีวิตนะอันนี้พวกเราก็คงเข้าใจนะหรือว่ารู้นะเราจะรู้เราจะเข้าใจแต่มันจะยอมรับความจริงตรงนี้ได้หรือไม่เนะี่ยมันอยู่ที่เมื่อเราเจอเหตุการณ์นะ ที่มันแสดงสภาวะความไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาหรือสแสดงสภาวะความเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาหรือสแสดงสภาวะที่มันเราไม่สามารถบังคับปัญชาเขาได้เกิดขึ้นมาเราสามารถวังใจยอมรับความจริงได้ไหยนะถ้าเราสามารถวางใจยอมรับความจริงได้นั่นแสดงว่าเออเราเข้าถึงเราเข้าใจสิ่งที่เรารู้แล้วนะแต่ถ้าสิ่งตา่างๆมันยังเป็น เพียงแค่การรู้จากการได้ยินได้ฟังการจําไดนะ้หรือว่าการน่ลิกการคิดไดนะ้แต่ก็ไม่สามารถทําใจได้อันนี้ท่าแสดงว่าเรายังไม่ได้เข้าใจอย่างถึงใจจริงๆนะมันเพียงแค่การรู้นะรู้โดยหลักการแต่ไม่สามารถทําไดนะ้เปรียบเสมือนนักศึกษาในเรียนในเรียนอย่างสมมุติ เราเลคณิตศาสตร์อาจจะจําสูตรคูณอาจจะจําได้ว่าสูตรในการแก้ปัญหาต่างๆได้นะจำสูตรได้แต่พอไปเจอโจทย์จริงๆตับไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะบางทีโจทย์จริงๆเรานั้นมีมีการประยุกตเนาะมีการทับซ้อนขึ้นมานะธรรมะก็เหมือนกันนะบางทีเราจะรู้โดยหลักการรู้โดยนะปฏิญาณ แต่ในชีวิตจริงเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนขึ้นมาเพราะอะไรเรารู้ว่านี่คือทุกข์นี่คือความไม่เที่ยงนี่คื อ, อความที่มันเป็นไปของทุกๆชีวิตแต่เมื่อเจอกับตัวเองแล้วนี่ยเราทําใจไม่ได้เจอกับคนที่เรารักเจอกับคนที่เราผูกพันเจอกับสิ่งของที่มันใกล้ตัวเราเราทําใจไม่ได้เนี่ยเลยเกิดเป็นความทุกข์ใจใช่ไหมอันนี้แหลนะน่ยคือสิ่งที่เราต้องเรียกว่า ความฝึกขัดให้มันเรียกว่าเกิดให้มันเกิดขึ้นในใจให้มันได้นะความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังเราจะรึกได้คิดได้นะทําอย่างไรมันจึงจะเกิดเป็นภาคปฏิบัติเนมะื่อจิตมันไปมันมีความทุกข์เกิดขึ้นจิตมันก็ช่วยแก้เห็นเพราะตอนทุกข์เกิดขึ้นกับจิตแล้วก็ปล่อยวางความทุกข์ไปนะจิตมีความไม่อยอมรับความจริงเกิดขึ้นนะเกิดสติเกิดปัญญา ในการเข้าใจความจริงได้อันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าอืเราก็ต้องฝึงกขัดกจนไปนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าในขณะที่เรามีชีวิตยอยู่นะถ้าเราไม่สามารถอ่ถาฝึกขัดหรือเข้าใจตรงนี้เมื่อเราเจอทุกขเวทนาหนักเช่นเราเจ็บไข้หรือปนะ่วยมีโรคร้ายเกิดขึ้นสุดท้ายเราใกล้จะตายนะถ้าเรา ยังไม่สามารถเยอมรับความจริงตรง น, นี้ได้มันจะมีความทุกข์ที่มันทรมานว่ากกนะายก็ทุกข์มากขึ้นนะจากที่อยู่เป็นปกติธรรมดาพอต้องปวดมากๆเจ็บมากๆนะหายใจแทบไม่ได้ใจแทบจะขาดมันเป็นแบบไหนนนะกายมันทรมานมากมันก็ย่อมส่งผลให้จิตใจมันเกิดกลัดกล้าเนื้อบีบพันหรือว่าจะตับกระสายหรือว่าวิตกกังวลนะ หรือว่าเกิดความไม่สบายใจนะเกิดความกังวลต่างๆเกิดขึ้นมากายถ้ามันทุกข์มากๆนะก็ย่อมส่งผลให้จิตใจมันเรียกว่าเกิดสภาวะตั้งมั่นในยากสำหดันะ บ, บนะผู้ทุชนคนธรรมดามันมักจะเป็นเช่นนั้นะแล้วถ้าเราตายไปด้วยจิตใจที่สภาวะที่เรียกว่ากังวลมีความโกรธมีความห่วงมีความอาลใดอาวรณ์ ความปล่อยวางไม่ได้นั่นมันก็จะพาให้วงจิตวิ ญ, ญญาณนั้นไปสู่ทุกขติไปสู่ภพภูมิที่อาจจะเป็นห่วงขอ ง, งรูปของรลานของทรัพย์สินทางเดนทางหรือ ว, ว่าของร่างกายเนี่ยมันก็ปล่อยจะไม่วิญญาณนั้นไม่ไปฝุดไม่ไปเกิดหรือถ้าเป็นฝุดไปเกิดก็ไปเกิดในภพภูมิที่มันไม่ดีอันนี้คือตั้งแต่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ตอนที่เรา ใกล้จะตายจนกระทั่งเราตายสุดท้ายเราตายไปดวงจิตดวงวิญานัา้นกะ็พาออกไปนะสูพพ่ครอบูมูไหนเขาไม่รูนะ้อย่างในภาสิกนะในพาสิ์ของภาษ า, ษ า, ษานะอิสาลีเขาบอกมินบีปาตินะสี่คนหามสามคนแห่คนเดียวนั่งแคนะ่สองคนพาไปนะนะถ้าสมมติเราบางองนจะินตนาการภาพนักหนังคล้ายถ้าใครเค โดยหนังจีเหรือหนังไทยเองอะมันมีเกีียวมันมีเรลบัตรดานที่คอยแห่เนาะพวกที่เป็นพรนะร า, าชาเป็นเป็นทิดาต่างๆมันมีสี่คนที่คอยถามงคนะอยถามทั้งสี่ด้านนสามคนแห่มีสามคนที่คอยลอ้ลอมรอบอยู่นะคนหนึ่งนั่งอยู่ กระบนสบายสบายนั่งอยู่ตรงกลางคอยบัญชาอีกสองคนก็พาไปเนีพาสิทธิสารเขาบอกว่าสี่คนที่หามนะที่จริงก็คือหามชีวิตเรานะั่นแหละนะก็คือธาตุสี่ธนะาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะมันหามเราไว้อยู่นะคือมันแบกเราไว้ถ้ามันไม่แบกเราไว้เนี่ยมันปล่อยข้างตรงนี้เราก็ตกนะ ตกลงมาจุดพื้นถ้าถ้าเราลองจินตนาการง่ายๆเคยเห็นกระตอกไหมกระต๊อกเหว่งนานลี้น้ยอยทั้งหมดมันมีแค่สี่เสานะถ้าเสาถ้าเสามันหากลงมานะนกระต๊อกก็พุงทากลงมาทั้งหมดเลยนะเพราะว่าอะไรเหมือนกับธาตุของเราเนาะถ้าคนที่ตายไปก็ธาตุลนก็หมดไปก่อนใช่ไหยหมดลมหายใจ หายใจไม่ออกหาใจไม่เท่าแล้วนะ่ะ้าตนุนงก็หมดไปต่อมาสักพักหนึ่งนะ่ะร่างกายก็จากความอุ่นน่นะก็จะเย็นจะเย็นขึ้นอุณหภูมิตามสิบเจ็ดองศาก็จะค่อย่อยนะ่ะลดลงมาอาจจะเท่าอุณหภูมิห้องก็ได้นะ่ะก็ค่อยค่อยลงมาธาตไปตัวยค่อยหมดไปถ้าป่อยจริงไว้อนะนะ่ะในเลือดในเนื้อนในเลือดในใ น, น้องใน น้ำต่างๆที่อยู่ในร่างกายก็ค่อยแห้งไปนะถ้าเราเห็นศพที่ทิ้งนานๆ น, น, นะก็จะเหลือหนังพุ่งกระดูกนระหรือว่าเนื้อติดกระดูกนระหรือว่าหนังติดกระดูกนระก็จะไม่มีสภาวะที่เป็นนุ่มๆหรือว่าเป็น น, นนะ้ำละเพราะว่ามันค่อยๆหมดไปถ้าปล่อยนานๆก็คงย่อยจะตายไปนะ <c oughs> เดี๋ยวใตเสืนเนนอนนดนอสหรือว่าอะไรก็มาคงมามาชอบนะ มาทําให้มันได้ว่าย่อยไปนเะนะนี่ยธาตุลมธาตุไฟธาตุนะ้ํำนี่ธาตุดินนะี่ค่อยๆพังลงไปเรื่อยๆนี่สี่สี่สิ่งเนี้ยหามเราไว้ตลอดนะนะนะไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นชา้างไม่ว่าจะเป็นมดเป็นอะไรเหือนกันมีธาตุสี่เนี่ยหามชีวิตตรอไว้แต่ในชีวิตเราเนี่ยก็มีความวิตเทียมมีความเป็นทุกข์ มีความไม่เชื่อตัวตนเนี่ยแหแ่นะคอยแแหรคอยแสดงค่อยโชว์เราตลอดเวลาเลยนะความไม่เที่ยงเนี่ยมันแสดงตั้งแต่เราเกิดมาเราโตขึ้นมาเราเป็นผู้ใหญ่เราแกชาา่ชราเราตายไปมันแสดงความไม่เที่ยงนะให้เราเห็นตลอดเวลาหน้าตาของเราตั้งแต่เด็กไปถึงตอนนี้เหมือนกันนะอหม แต่ก่อนนะมันกนะ็มันก็เนื้อหนังมงางตาเนาะนะมันอุดมสมบูรณ์มีน้ำมีเนื้อนะต่อไปก็โตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นก็มีสิวบ้างนะเสียงแตกบ้านะมีประจำเดือนบ้างอะไรต่างๆก็สุขภาพก็เปลี่ยนแปลงไปนะแก่เข้ามายิ่ง <c oughs> ไปดูรูปนะถ้าเราไปดูรูปอายุหกสิบกับอายุสิบกว่ามันก็ไม่เหมือนกันเนาะนะ ยิงถ้าเราเห็นคนคนตายนะคนตายกับตอนที่มีชีวิตอยู่โ อ, อ้บางครั้งก็เหมือนแับไปแต่บางครั้งก็แตกต่างกันมากเหมือนกันนะก็แตกต่างกันมากนะเพราะว่าอะไรมันก็ทนะ่ามันก็พังไปหมดแล้วนะอันนี้เนี่ยมันแห่มันแสดงให้เราเห็นตลอดเวลาว่าต่างกายเนี่ยมันไม่เที่ยงนะนะมันเที่ยงที่ตรงไหน ไม่จริงจะพาว่าหายใจเข้าหายใจออกมันก็แสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นเราหายใจเข้าเราจะากจะหายใจเข้าอย่างเดียวก็ไม่ได้นะมันก็ต้องหายใจออกเป็นธรรมดาตามันก็กป็คิดของมันเองเป็นธรรมดาบรรพันก็เป็นของมันเองเป็นธรรมดาผมมันงอกมันก็เป็นของมันเองเป็นธรรมดาบางที พระนะท่านบวชใหม่จะเป็นพระเองก็ดีจะเป็นสามเนี่ยก็ดีนะเนะพราะกุฎเจ้าท่านบัญญัติว่าให้ให้กรรมฐานหอย่างเอาไปพิจารณาพิจารณาในร่างกายของตัวเองนั่นแหละมันไม่เที่ยงแบบไหนมันเป็นทุกข์แบบไหนมันไม่ใช่ตัวตนอย่างไรนะท่านแห้กรรมฐานเกสาโดมานัข า, าตาตนะัาโจนะก็คือผมขนเล็บ ฟันหนังนะก็เรียกว่ากรรมฐานห้ากรรมฐานเบื้องต้นมูลกรรมฐานนะน้องปู่วดานะเราอาจจะเคยได้ยินชื่อน้องปู่วดานะท่านแทบไม่มีครูว่าไม่มีปูบาอาจารย์แต่ท่านกระลอกได้ว่าอ๋อตอนบวชพระอุปัชายท่านให้กรรมฐานหน้านี้ให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังท่านก็อาศัยกรรมฐานให้ในการพิจารณาดูอ๋อ ผมเนาะมันงอกขึ้นเป็นประจำทุกวันมันขาวมันมันดำแล้วก็ขาวไปเนี่ยเรื่อยๆ่ะผมใครยัไม่ขาวมีไหมน่าจะขาวแล้วนะอแต่บางทีก็ไม่เที่ยงนะบางคนก็ขาวมากบามันก็ขาวน้อยน่ะบางคนก็ร้านแต่ร้านาซึ่งสีตาก็มีอันนี้ก็ไม่เที่ยงนะแต่มาเพิ่งเจอเพิ่งน้องคนหนึ่ง ไม่เจอกันมาหลายปีอ๋อหัวนโลหัวมัล้าไปพึ่งศีราแล้วอันก็จะตกดินกันนะมันก็จะแสดงความไม่เที่ยงนะให้เราเห็นเนี่ยมันจะแสดงความเป็นทุกข์ด้วยนะโรกภัยไขเก็บที่มันเกิดขึ้นนะมันแสดงให้เราเห็นว่ามันบังคับไม่ได้นะแม้เราจะดูแลสับภาพดีขนาดไหนแต่บางทีก็จะเป็นโรกมะเร็งก็ได้ อาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้อาจจะเป็นเบาหวานอาจจะเป็นความดันก็ได้นะเราไม่สามารถกำกับก็ได้เราจะดูแลเราจะสร้างเห็นปันจจัยได้ในระดับหนึ่งแต่ที่จริงแล้วเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ยมันเกิดขึ้นมากมายนะอาหารที่เรารับประทานเราไม่สามารถรู้ได้เราไข่ไข่ที่เรากินเนะี่ยที่เขาทอดให้เราทานเนี่ยมันเป็นมีสารพิดหรือไม่นะเราก็ไม่รู้นะ น้ำที่มันเราได้กินมาเนี่ยมันจะอาดมากขนานไหนเราก็ไม่รูอากาศที่เราหายใจเนี่ยมันมีคาร์บอนไดออกไซด์ผสมขึ้นไปเนี่ยมันอยู่คนปะ บ, บนเข้ไปมากแค่ขนาดไหนบางทีเราก็ไม่ส า, า, ามารถคาดการณ์ได้แม้แต่เราจะเป็นมังสวิรัติกินแต่ผักนผักที่รานนี้อาจจะเชื่อได้ว่าปลอดภัยแต่ถ้าเราไปกินที่อื่นจะเชื่อได้ขนาดไหนว่าปลอดภัย ร้อเร์ซ็เราก็ต้องรับสารพิเข้ามาในร่างกายใช่ไหมแม้เราจะดูแล ร, ร่างกายดีขนาดไหนแต่มันก็ยังเป็นทุกข์แต่ที่จริงความเป็นทุกข์ของร่างกายเนี่ยไม่จะเป็นต้องรอให้เราเป็นโตคร้ายไม่ต้องรอให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยมีหามองที่จริงแม้แต่เรานั่งในท่าเดินนานๆเนี่ยมันก็เป็นทุกข์แล้วลองยืนสักสิบนาทียี่สิบนาทีเนี่ยก็ เ, เป็นทุกข์แล้วนะ ในสายบางสายในที่เขาอาศัยให้ดูเวทนาเนี่ยบางทีนะก็ให้สมมติกำหนดกำหนดนั่งชั่วโมงหนึ่งนะนั่งข้างเปลี่ยนท่าหนึ่งชั่วโมงนะนะยืนเฉยเไม่ต้องทำอะไรหนึ่งชั่วโมงนะนะเดินนะจงกรมชั่วโมงหนึ่งนอน่ะชั่วโมงหนึ่งตอนนั่งนะเราก็คิดว่าเออ มันน่าจแรกเพราะว่าสบายไม่เป็นไรพอซึ่งชั่วโมงผ่านไปจะเป็นน้ำทุกนก็เริ่มอยากจะเปลี่ยนละอเปลี่ยนก็ความคิดจะคิดว่าถ้าได้ไปเดินก็น่าจะดีน่าจะหายทุกพอไปเดินสักเพ่อเลียงนึงก็ปวดหลังปวดเอวปวดขาเออคิดว่าน่ะก็ยืนเฉยๆน่าจะสบายกว่าไปยืนเฉยชั่วโมงหนึ่งทรมานมากเลยนะ ถากระดูกกริกเนี่ยโอจะเห็นทุกข์นมากเลยนะคิดว่าจะเด้นนอนจะสบายนะนอนไปแล้วก็ไม่เห็นกระดิกนะก็ยิ่งทุกข์หนักไปอีกนะเนี่ยร่างกายของเราเ น, นี่ยแสดงความเป็นทุกข์ที่จริงอิริยาบถที่มันเปลี่ยนแปลงเลยก็คือมันหมดวางทุกข์อย่างหนึ่งนักนะมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่ามันเป็นทุกข์มันก็เลยเปลี่ยนแปลงนะมันขยับ ข, ขยื่นขึ้นไปเพราะว่ามันมันไม่สามารถทนในอาการเดินได้นะ อิริยาบถต่างๆเนี่ยมันเป็นไปเพื่อการกบทุกหรือว่าเปลี่ยนทุกนะอแต่ก็ไม่มันก็เป็นธรรมชาติธรรมนาแต่เราก็เห็นว่าวว่าร่างกายมันเป็นทุกเนาะมันมเลยเกิดแบบนี้นะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเป็นทุกของมันนะมันบังคับไม่ได้นะมันเป็นทุกของมันเองนะอันนี้มาสแสดงตัวตนแบบนี้ให้เราเห็นที่จริงถ้าเรามีสติละเอียดขึ้นมา เราจะเห็นว่าทุกที่มันละเอียดขึ้นมานี่ไม่ใช่อยู่ที่ไหนหรอกอยู่ที่าการเตือนดับไฟในจิตนี่แหละอารมณ์สมมติอารมณ์ดีใจเกิดขึ้นมาเมื่อเช้านี้นให้กินอาหารที่ถูกปากอเราดีใจขึ้นมาพอทะพักเดินมาสมมติเราขับรถมาเจอรถปาดหน้าเนี่ยอความดีใจมันหายไปกลายเป็นความโกรธพอทั้งพักไปก็ดื่มันไปครับ ความปดก็่ายไปนะมันมีการเกิดดับของอารมณ์เนี่ยตลอดเวลาอันนี้ก็แสดงความไม่เทีย่ยงความเป็นทุกขนะ์ให้เราเห็นได้ชัดๆเลยนะ อ, นะอันนี้คือมันเกิดดับมันเกิดดับตลอดเวลาอันนี้แหละสามคนที่แห่ล่อเรานะความไม่เทีย่ยนงะความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมันเขาแสดงนะเขาโชว์นะตลอดทั้งชีวิตเลยตลอดทั้งชีวิต ชีวิตรเราเ็นก็ดีชีวิตคนอื่นเห็นก็ ด, กดีถ้าเราเห็นแล้วก็น้องเข้ามาเห็นโอ้มันเป็นแบบนี้เนาะน้านะน้องเข้ามาเสกตัวพระาพาาโกโกระเลยโกรปนัยุโกรปนะ้น้อรรมทำมัดเข้ามาเสกตัวนะาน้องทุกอย่างเข้ามาเรียนรู้นะาคือว่าน้องทุกอย่างเข้ามาแก้ไขที่ตัวเรานะไม่ได้ไปแก้ที่ภายนอกนะภายนอกเราก็แก้น ะ, นาาะนะตามเหตุตามปัจจัยแต่สิ่งที่เราต้องกลับมาแก้ก่อน แก้ใจที่มันทุกข์แก้ใจที่มันโกรธแก้ใจที่มันโรคมันหลงมันไปก่อนอันนี้คือน้องเข้ามาแก้ไขที่ตัวเราเองนะนี่ปฏิบูรณคนที่ฝึกตนนะฝึกตนนะฝึกตนดีแล้วนะถึงไปฝึกผู้อื่นได้ทีต่ออันนี้คือความเป็นปฏิติของเราเนาะเนี่ยสามคนเนี่ยที่แห่รอกเราตลอดเวลาคนหนึ่งที่นั่งแค่คอยวงการทุกสิ่งทุกอย่าง ก็เราคงเคยได้ยินเนาะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนจิตใจเนี่ยมันเป็นนายกายเป็นเพียงแค่บ่าวเราใช้จิตเป็นบอสนะกายนีงเป็นเพียงแค่พนักงานเป็นลูกน้องเท่านั้นเราสมมุติเราเห็นอาหารมันอยากจะกินความอยากเกิดขึ้นที่จิตนะแล้วก็จิตก็ไปสั่งให้อะไร ทำให้กายเดินไปนะไปซื้ออาหารไปกินอาหารหรือถ้าคนที่นะตติอ่อนสมมุติจิตนะมีความอยากที่จะขโมยของเขานะเห็นเจ้าของไม่เห็นนะอ่านะก็จิตมันก็สั่งให้กายไปจีบนะไปขโมยไปซอดนะจิตมันมีความคิดนะอยากจะหลอกรวงคนอื่นแล้วก็ไปโกหกเขาอันนี้คือจิตมันเป็นนายนะ ตั้งกายหรือว่าวาจาเนี่ยเป็นเพียงแค่เปล่าคอยทบใช้เท่านั้นนะเนี่ยจิต น, นี่แหละเป็นใหญ่ที่สุดนะอี่ยงวัาตถาะ ก, าก็จะมีนะวโนบุพพังเข้ามาธรรมาวโนเศรษฐามโนเมยาง น, นะทำทั้งหลายเนี่ยมีใจนะเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้านะมีใจนะที่คอยสั่งให้สำเร็จทุกข์อย่างนะไม่ว่าจะดีก็ตามหรือร้ายก็ตามเนี่ยมีใจนะที่คอยวงการ อันนั้นนะกา ร, กรปฏิบัติธรรมทุกอย่างเนี่ยมันจะย้อนกลับมาถึงใจเท่านั้นะนะเราจะเรียนรู้อะไรก็ตามเนี่ยไอ้ต้นตอเนี่ยอยู่ที่ใจนะอยู่ที่ตัวองการอยู่ที่เจ้าหนายเหมือนตำรวจจับตัวผู้ร้ายนะมีคดีต่างๆเนี่ยถ้าจับได้เพียงแค่ผู้ว่าจ้างผู้ลงมือทําเนี่ยมันก็ยังปิดคดีไม่ได้เพราะว่าคนวงการนี่ยังรอยนวนอยู่นะ ร่างกายจิตใจทเช่นเดียวกันถ้าเรายังเห็นเพียงแค่ทุกข์หรือว่าโทษของร่างกายนี้นะแต่เราจะไม่เห็นว่าจิตใจนี่เป็นคนคอยวงการนะให้มันเกิดทุกข์เกิดโทษเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดการยึด ม, มั่นถือมั่นเนี่ยเนี่ยเราต้องย้อนเข้ามาให้มจิตนะจิตตอนนี้มันมีสภาวะเช่นไรมันมันทุกข์ไหมมันโกรธไหมนะมันโง่ไหม เรากลับมาให้เห็นถึงจิตถึงใจถ้าเรากลับมาเห็นถึงจิตถึงใจแล้วเนี่ยต้นตอทุกถึงทุทอย่างนะจิตใจนี่แหละนะมันทำให้เกิดภพเกิดชาตินะภพชาติที่ไม่ต้องรอตายเลยครับนะเมื่อไดที่เรานะมีความโลกเกิดขึ้นเนะี่ยภพภูมิของเปรตไม่เกิดขึ้นในจิตในใจแล้วเนะมื่อใดที่เราปวดเกิดขึ้นมาภพภูมิของนะ ของอสุนกายหรือว่าตัวที่น่ากลัวเกิดขึ้นนะในจิตในใจของเราเองนะเมื่อไรที่เรามีความรักความเมตตาความปรารถนาดีนะพบของพรมนะ่าเกิดขึ้นในใจของเราแล้วเมื่อไรที่เราคิดชั่วนะแล้ว เ, เกิดความละอายเกลียดใจนะหินะีโภตปาบะนะเก่งกลัวต่อผลเต็งกลัวต่อบาปไม่คิดทําชั่วไม่คิดทําบาปแล้วเนี่ย เทวดานะางฟ้าเกิดขึ้นในจิตในใจเ้าหรือเมื่อไรที่เราเห็นความจริงเข้าใจความจริงปล่อยวางยอมรับความจริงได้ความเป็นพระนะความเข้าถึงธรรมะถึงอริยะก็เกิดขึ้นกับจิตกับใจของเราละอันะนั้นจิตใจนี่มเป็นนายเป็นประธานนะแล้วจิตใจนี่แหละนะมันเป็นครัวที่เรียกว่าอ่าเป็นเป็นตัวที่รับ รับเหตุรับปัจจัยต่อไปในภพภูมิต่ออื่นๆต่อไปได้ด้วยนะนะเช่นตนะัวสุดท้ายที่บอกว่านะสี่คนหามนั่งสามคนแห่คนเดียวนั่งแค่อีกสองคนพาไปสองคนที่พาเราไปก็คือเนะี่ยบุญกับบาสนา่แหละชีวิตเราเนี่ยมีบุญแล้วก็มีบาปพาไปนะหรือจะเรียกว่าเป็นกุศลกัปบปกุศลก็ได้นะ นะบุญที่เราได้ทำเนะี่ยมันก็จะพาเราไปสู่ควบคุมที่ดีนะบาปที่ทําก็อาจจะพาไปสู่ภพภูมที่ไม่ดีในเรื่องขีวิเราณเนี่ยนะเราก็จะเห็นมีเงินทองมากขนาดไหนมีสมบัติมากขนาดไหนนะมีคนนักมีคนเกลียดมากเท่าไหร่แต่ตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ทุกอย่างนะนะแม้แต่ร่างกายนี้ที่เราอยู่กับเขาตลอดนะตั้งแต่เกิดจนตาย ไไก็ยนะั ง, องออ เ, ง เ, นะ เ, าาเอาไปไม่ได้นะักภาษาเลเปินทองภายนอกนะติดของภายนอกชื่อเสียนเกียติยศนะคําสนับสนุนคําบนิมฐานต้เหมือนกันเพไปไม่ได้ดังนั้นแต่บุญและก็บารนี่พาไปได้นะพาไปไหนก็ไม่รู้นะแล้วแต่แล้วแต่ว่ามันจะให้ผลอะไรก่อนแต่แน่นอนมีแต่บุญกับบารเนี่ยที่จะพาเราไปนะดังนั้นถ้าเรา ถ้าใครัดสมขึ้นบุญมากนะบุญก็จะพาไปสู่ภพภูมิที่ดีใครสะสมขึ้นบาปมากก็พาไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดีนะอันนี้คือเรียกว่าวงจรชีวิตนะตั้งแต่เกิเดจนถึงตายหรือแม้แต่ตายแล้วไปสู่ภพภูมิข้างหน้านะั่นก็สัมพันธ์กันไปเรื่อยๆแต่เนี่ยถ้าถ้าพวกเราเป็นผู้ที่มีปัญญานะเราก็จะกลับมาทบทวนว่าเออ ไหนนี่เราก็ต้องตายแน่นอนแต่ตายแล้วนี่บุญหรือว่าบาปน่าจะพาต่อไปไปสู่สุคติคือไปสู่ทุคตนะิเราก็จะกลับมาทบทวนนะไม่ใช่การระลึกถึงความตายนี่ไม่ใช่ระลึกแล้วเกิดความอาอะไรอาวรณ์เกิดความกลัวเกิดความไม่ไม่แน่ใจนะอาจจะมีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าผู้มีปัญญามันจะเกิดการมาทบทวนว่าได่เหตุปัจจัย อะไรที่จะทำให้ตายด้วยดีได้เหตุปัจจัยอะไรที่จะทำให้ <S <S ไปถูกปบคุมที่ดีได้มันก็จะกลับมาทบทวนกลับมากระทำนะที่ปัจจุบันนะกลับมากระทำที่ตอนที่มีชีวิตยอยู่ในตอนนี้นะเราอาจจะเลือกไม่ได้ว่าเราจะตายนะเมื่อไรตายอย่างไรตายตอนอายุเท่าไหร่นะตายสถานที่ไหนเราเลือกไม่ได้ แต่เราจะกลับมาต้องพูดว่าตอนที่มีชีวิตอยู่เนะี่ยเราได้เตรียมความพร้อมได้ อ, อย่างนะาการที่จะเตรียมความพร้อมสู่การตายที่ดีเนะีนะ่ยหรือไปสู่ภพภูมิที่ดีก็คือการที่ทำที่ปัจจุบันนี่แหละนะถ้าเรากลับมาทำที่ปัจจุบันในการเตรียมความพร้อมได้ดีเนะี่ยก็คือเรียกว่าเป็นการฝึกนะเป็นการฝึกนะเพราะว่านะทุกสิ่งตักอย่างนะ อยู่ที่การฝึกมันอยู่ที่การสะสมนะบารมีเนี่ยแปลว่าการสะสมนะบารมีนี่ไม่ใช่ว่าเป็นแบบได้มาลอยๆนะบารมีก็คือการสะสมทั้งนั้นแหละนะคนที่มีทานบารมีก็คือคนที่สะสมเรื่องการทำทานนะอยู่เป็นประจำนะคนที่มีศีลนับบารมีก็คือผู้ที่รักษาศีลอยู่เสมอ รักษาสินห้าไม่ให้ดานพ้อยหรือสินแปดอะไรก็แล้วแต่ก็คือผู้ที่มีสิ่งที่มั่นคงเกิดจิตใจที่ตั้งมั่นขึ้นมาคนที่มีสมาธิอเป็นบารมีก็คือว่าคนที่เขาฝึกสมาธิให้จิตใจมั่นคงบ่อยๆหรือคนที่มีมีความเพียรมีวิริยาบารมีก็คือคนที่เขาเรียกว่าไม่ยโยท้อต่อคุณประสคนที่เขาเรียกว่า มีความแนวะอดทนเข้มแข็งนะเรีวยกว่ามีความเพียรสม่ำเสมอมันเป็นการฝึกฝนเท่งนั้นแหละนะบารมีนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องนะเรีวยกว่าได้มาโดยลอยได้มาแบบโชคช่วยแต่ก็คือการฝึกทางนั้นเนะี่ยถ้าเราฝึกตรงนี้ดีนะพวกต่างๆเนี่ยมันจะมาช่วยนะแต่ที่จริงนะการพอเรากลับมาทบทวนอันนี้นะมันจะทําให้พอเรากลับมฝึกนะ ฝึกตนเองดีๆเนี่ยมันก็จะทําให้การที่เรามีชีวิตอยู่ก็จะอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างมีความสงบอยู่อย่างผู้ที่รู้เท่งทานโลกนะไม่หลงโลกนะอการปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยชีวิตก็ก็มีความสุขมากขึ้นนะมีความสุขตามอัตภาพนะภายนอกเนี่ยเราก็อาจจะเรียกว่าตามอัตภาพนะนะ ใครมีร่างกายนะแข็งแรงก็มีความสุขมากกว่าคนที่มีร่างกายอ่อนแนนอนนดในเรื่องของร่างกายนะั่นนะใครมีฐานะมั่นคงหน่อยก็อา จ, จะมีความสะดวกสบายมากกว่าคนที่ฐนะานะเออรียกว่าไม่ค่อยมั่นคงมากต้องเริ่มยิ่ดนมากก็อา จ, จะเหนื่อยหม่เป็นกรรมกรเป็นชาราชานาอาจจะลำบากบากหน่อยนะแต่ อันนั้ก็เป็นเรื lie, nee, move, ่องของกายน่ะแต่ความสุขใจเนี treated, 謝謝่ยมันจะเกิดจากการที่เราเราเข้าใจชีวิตเนี่ยมันก็เกิดความสุขได้มากขึ้นหรือการที่เราเรียกว่ามีการปล่อยวางสิ่งต่างๆได้มากขึ้นเนี่ยก็เกิดความสุขได้ง่ายขึ้นจิตใจก็จะเกิดความสงบที่จริงความสุขนะมันเกิดขึ้นก่อนนะความสงบไม่ค่อยตามมานเกิดเกิดความสุขขึ้นมา เกิดความสุขนะถ้าเกิดความสงบคล้ายๆกัเหมือนกับถ้าเราอ่านหนังสือเราทําอะไรก็แล้วแต่นะเราจะเรียนหนังสือเราจะทําอะไรก็ได้นะถ้าเราถ้าเราทํำด้วยความชอบถ้าเราทํำด้วยความสุขเนี่ยจิตใจเราจะตั้งมัน่นแล้วก็ทําสิ่งนั้นได้นานสังเกตไหมเราทําสิ่งที่เราทําได้นานๆก็คือสิ่งที่เราชอบนั่นแหนละถ้าไหนที่เราไม่ชอบเนี่ย เราก็ทําได้ไม่นานหรอกเห็นะไหมสนะมมติบางคนชอบอ่านนะชอบอ่านวรรณกรรมอ่านเรื่องสั้นเขามีความชอบเขาก็มีความสุขเขาก็เกิดใจตั้งมัน่นก็อ่านได้อย่างต่อเนื่องแต่ถ้าต้องไปให้ไปอ่านตำราสอบนะต้องให้ไปเขียนนะวิทยานิพนธ์ส่งมันเกิดความทุกขึ้นมานะจิตไม่ตั้งมัน่นไม่เป็นสมาธิก็ทําได้ไม่นานก็ ไม่อยากทําแล้วเนะไปทําอย่างอื่นดีกว่าอนะหรือบงางคนนะนะฟังทำเออชอบนะก็ก็มีจิตตั้งมั่นขึ้นก็ตั้งใจฟังดูเรื่องตามแต่บงางคนแค่พักพูดประโยชน์ต่อประโยชน์ก็เริ่งมง่วงนละก็เริ่มไม่อร่นะนะจิตไม่ตั้งมั่นก็คือเรามีความชอบเรมีความสุขก็เลยเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อทำต่อเนื่องเรื่อยเนะี่ย เราทำไม่ไหวก็เกิดปัญญาเกิดความเข้าใจในในสิ่งที่ทำนะแต่ทางโลกก็อาจจะนํามาเพืค่ความสำเร็จทางโลกนะแต่ถ้าใจเราเขถึงธรรมนะเนี่ยก็เกิดปัญญาในการเข้าใจความจริงได้ที น, นี้เป็นการฝึกสท่นนัะ้นะในชีวิตที่เราอยู่ปัจจุบนนันนะครก็จะอยู่อย่างยังมีความสุขนะหรือแม้แต่ตอนถ้าเราใกล้จะตายนะเราใกล้จะตายแล้วก็จะตายเรียกว่าปล่อยวางง่าย อ ย, อย่างเมื่อไม่กี่ ว, กวันก่อนเนี่ยพอดีมีญาติผู้ใหญ่เสียนะ่ะเป็นเป็นคุณยายยายยาจริงๆอาจจะมาเสียนะ่ะพอดีแต่ถ้าตอนายุเก้าสิบกว่าปีครับเถ้าสิบกว่าปีแต่ก็เป็นคนที่แข็งแรงนะไม่เคยไม่ไม่นอนโรงพยาบาลมาหลายปีแล้วแหละนะไม่ต็แต่ว่าไม่มีโรคประจำตัวแต่ทุกเช้าตื่นขึ้นมากิจวัตรที่ทําคือ ทำวัดเช้าคนเดียวนะ mm hmm. อ่านหะนังสือทำวัดเช้านะคนเดียวขี่จักรยานบ้างนะหรือว่าแข่นแขวนบ้างแบบอ่า่ยวค้างนะเขาก็ทำแบบนี้คนเดียวยดูวแลตัวเองคแบบ่อนข้างดีนะอารมณ์ค่อนข้างดีนะอองดตอนเย็นก็ทำวัดเย็นแล้วกนอนเพราะว่านอนแต่หกโมหรือว่าตนทุ่หนึ่งนะต้องในว่ hmm. าทองวัดเย็นนะก็นอนนะ เป็นคนที่ทํำแบบนี้ประจำนะพอตอนที่จะตายนะแม้จะทราบข่าวว่าเป็นโรคร้ายนะรักนษะาไม่ได้นะแต่ก็ไม่กังวลมากนั่นก็ก็ อ, อยู่เป็นปกติอาจจะมีบ้างมาช่วงที่ทุกขเวทนาของกายมั น, ดนแดงบ้างอาจจะคนมาจากก็เจ็บก็ปวดนะเมื่ออยากกินข้าวไม่อยากกินก น, น้ำไม่อยากลืมตาเนะี่ก็มีบ้างนะ แต่พอวันสุดท้ายก่อนที่จะเสียนะหลังจากที่เหมือนดับไปเป็นครึ่งวันนะตั้งแต่ตีสี่เป็นถึงบ่ายโมงนะบ่ายก ว, ว่นะาญาติพี่น้อง ก, ก็มารวามกันหลายทิบคนนะมาตอนแรกก็พอกลับไปเห็นก็เปิดวิดีโ์ให้ยายฟังโอ้ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แค่บอกว่าเอาวิทีประกอไปเถอนะจะให้ยายมาฟัง เพลงฟังอะไรทำไมนะครับประมาณนั้นแต่ญาติคนชอบฟังบ้างในวารขนาดก็เลยบอกเอาวิธีออกออกไปแต่เราก็เห็นลักษณการที่หายใจแรงเนี่ย น, นะเหมือนคนใกล้จะต า, ตายแล้ะก็เลยชวนญาติมาสวดมนต์สวดบทไหนดีถ้าจะบวชถ้าจะสวดบทธรรมบัตจ้าธรรมบัตเย็นก็เก่งมันเลยจะสวดได้คนเดียวคนอื่นสวนไม่ได้นะก็เลย เอาแบบนี้กว่าสวดอิติปิโสร้อยแปดจบนะนะก็สวดก็ชวนอิติปิ โ, โสก็แต่สวดง่ายๆนะเป็นผู้ทุคุณทำคุณสังคุคุณเป็นบทเสนอเสริญคุณพระผู้ไดเจ้าคุณทำคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ะก <noise> ็ชวนสวดไปนะสักพักนี่ยายก็น้าตาไหลขึ้นมาน้อยๆนะอืมเพราะว่าอะไรเขาคุณนกับการสวดมนต์ คนที่คุ้นกับเคยกับการสรวจนอนพอได้ความพันก็เกิดความปิดตินะน้ำตาไหลขึ้นมานะพอสวนครบร้อยแปดจบนี่ก็เกือบชั่นโมงนะตวจนานเหมือนกันนะตรวจยายที่หลับมาเป็นค่อนวันนะนะก็อนุมาตพูดให้ปล่อยวางสักหานาทีบอกไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงลูกของหลานนะยายเรียนดูมา มาดีแล้วน ะ, ะทุกคนนะไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องห่วงทุกอย่างนะทุกคนมาส่งยายให้ไปดีนะอะแล้วก็ไม่ต้องห่วงร่างกายก็ได้นะร่างกายเปรียบเสมือนกับใบไม้ที่มันที่มันแห้งที่มันเหี่ยวมันจะร่วงโดยลัดนะมันเป็นธรรมดาของร่างกายเนาะเราใช้มาเก้าสิบกว่าปีแล้วนะ ก็ต้องปลูกต้องพังต้องเหนียวต้องแห้งไปเป็นธรรมดาไม่ต้องปล่อยวางมันนะถ้ามันหายใจลาบากมากก็ไม่ต้องฟื้นมันก็ได้เขาพูดประมาณเขาเห็นหายใจแบบแรงแรง่าเป็นคนฟุ้นฟุ้งานแล้วเขาเหนื่อยเหนื่อยมากพอพูดจบนะยายลืนตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาแล้วก็มองลูกหลานนะครับ ครึ่งนาทีมันก็หลับไปแต่ก่อนนี่หายใจทางปากเด็นแรนนะก็ปิดปากหายใ จ, จก็จอึดก็อึดก็ไม่ิดไม่ถึงนาทีนะก็สงบไปดนะูกหลานก็เริ่มตกใจอยากเกิดตายแล้วลหรอะ่านะมาก็เลยบอกทําส่วนคนกันต่อนะส่วนคนกันต่ออิติปิโสเนี่ยนะกนะ็เลยสวดต่อไปห้ารอบนะ อยากจะนิ่งไปเป็นรายนาทีแล้วไปแล้วนกนะักไปดีแล้วนะอันนี้คือที่พูดในฟังคือให้เป็นตัวอย่างว่าคนที่ถ้าถ้าจะใช้าสวดมนต์คาว่าชาคำว่เยศเป็นเป็นประจำหรือจิตใจค่อนข้างค่อนข้างดีค่อนข้างสงบในชีวิตประจำวันเวลาถ้าตอนที่จะตายถ้ามีการนำ ในทางที่ดีเนี่ยก็เขาก็สามารถไปในทางที่ดีได้ก็แหละจิตใจมั่งคั่งเคยนะเช่นพุนใส่กับปวดสวดมนต์ทําวันเนะี่ยพอได้ยินเสียงสวดมนต์เองเนี่ยจิตก็มีสมาจิตก็เป็นปิตินะจิตมีความสุขมีความสุขต้องมีความสงบนะพอเราสอนธรรมะพูดธรรมะไปสั้นๆตรงๆเท่าไหร่เขาก็น่าจะสือ่อสารเข้าใจนะเขาน่าจะรับฟังได้ ก็ยืนตาสุดท้ายเพื่อนั่งาแล้วตัดจางไปเป็นทุดตัวลอยอะไรก็อนมาว่าถ้าใครมีชีวิตเช่นนี้นะไม่ไม่ควรที่จะเดียใจไม่ต้องร้องโหม่้องไห้นะก็บอกยาไม่ต้องร้องไห้หรอกนะไปดีขนานนี้ร้องไห้ทําไมมีแต่ต้องอนุโมธนาหรือว่าดนดีด้วยนะที่ไปดีนะมาว่าที่จริงถ้าทุกคนนะสามารถมีชีวิตเช่นนี้ได้เช่น ตอนขณะที่อยู่ก็อยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างมีประโยชน์นะอยู่อย่างไม่หลงโลกเนี่ยเมื่อตอนที่จากไปก็จะมาจากไปได้อย่างสงบจากไปได้อย่างปล่อยวางได้เนะี่ยถ้าชีวิตชนี้นะน่าอนโมทนานะถ้าอนโมทนามากกว่าเราผ่าเสียใจแต่จะไปถึงขั้นไหนเนี่ยเราก็าไม่มียานที่จะรู้นะอไม่รู้ไปสู่สุคติชั้นไหนนะเราก็าไม่รู้นะ หรืออาจจะไม่กลับมาเกิดแล้วเราก็ไม่รู้นะมันอยู่ที่ดวงจิตดวงวิญญาณของเขาแต่ตรเนี้นมาว่าทุกคนสามารถเกดได้นะบางทีไม่จำเป็นต้องเค้่งคัดอะไรมากนะไม่ต้องเค้่งคัดตีเรียต้องเข้าวัดถือสิ้นเป็นประจำนะอย่างถ้าเราเป็นแค่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือสิ่งที่นะน้อามธรรมะสวดธรรมะเป็นประจำเสมอนะ มันก็จะช่วยส่งความาจิตใจของเราให้เหมือนได้ว่าน้องมาทานี้นะเมื่อจิตใจของเราน้องมนทางนี้เนี่ยมันก็ส่งผลที่จะไปดีได้แต่ถ้าเอามาเชื่อว่าถ้าคนที่ไม่เคยฝึกเลยเนี่ยแม้จะมีความมั่งศดเป็นวันบางทากนะาจจีก็อาจจะทาคาญก็ได้นะอืมอาจจะอยากอาจจะรู้สึกาําคาญเพราะอะไรตอนที่มีชีวิตยอยู่ฟังธรรมะก็ยังําคานนะฟังเสียงสวนมนต์ก็ยังผลนไป พานมาสวดส่ง น, นี่อาจจะกําลังคารหรือทุกข์ใจมากกว่าก็ได้นะอาจจะต้องใช้อุบายอย่างอื่นมาแทนก็ได้นะอันนี้ก็อันนี้ก็นนก แ, นะแล้วแต่นะแล้วแต่แต่ที่อยากจะฝากไว้เนี่ยก็คือเรามีชีวิตยอยู่อย่างไรเนี่ยมันก็จะส่งผลในขณะที่ตายนะส่งผลมากเลยนะคือขณะที่ตายไปแล้วเนี่ยบุญหรือว่าบาปที่เราสวดส่ง ก, ก็ได้ ก็จะพาเราไปเราพยายามกลับมาครอบครววตรนี้นะแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยขณะ ท, ขที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะอยู่อย่างไรถึงจะอยู่จะมีความสุขถึงจะตายอย่างสงบรหรือว่าตายดีหรือว่าถึงจะไปสูส่ครอบครูที่ดีนันะมีหนังสือเล่มหนึ่งมาชอบมากนะของของคูติสนาธานนะได้ทานแล้วก็โอ้เรอเห็นภาพการตายอีกแบบหนะ่ะ ตอนนั้นมันมีเหตุการณ์ที่ลูกศิษย์ของท่านโดนโดนยิงตายเรียกว่าฆ่าตายนในช่วงสมัยคอมมิวนิสต์สมัยที่เวียดนามยังแ บ, บ่งเป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้นะท่านก็ไม่ได้เป็นฝ่ายคอมอมิวนิสต์เสดียนิยมไม่ได้ฝักใฝ่ชาตพวกคอมมิวนิสต์ถือว่าปักใฝ่ทางอเมริกายื่กลางๆนะแต่ก็โดนบาดระแวง ท่านบรรยายถึงตาวะลูกติ์ที่ตายแล้วก็มีลูงที่ที่ตายมาก่อนล่องเรือขึ้นมารับแล้วก็พาไปสู่หมู่บ้านสู่ที่ทํางานต่อมันชื่อหนังสือว่าทางกลับคือการเดินทางต่อที่จริงการตายก็เหมือนกับการอ า, าเราไม่ใช่การตายแล้วสูญแต่ก็คือการที่เราไปเดินทางต่อ ถ้าเราจะตายในภพภูมินี้อาจจะเป็นบำเพ็ญบา ร, รมีต่อที่สวรรค์ก็ได้หรือกลับม า, บาเพ็ญบา ร, รมีต่อในมนุษยโลกก็ได้นะหรือก็ไปบำเพ็ญบา ร, รมีต่อในกระทัาทองแดงก็ได้นะก็เป็นการบำเพ็ญบา ร, รมีแบบก็ได้ในะขั้นมองนั้นนะในย่อมจพูดถึงเรื่องกับผลของกรรมนะแต่ถ้าผลของกรรมมันก็มี แต่ถ้าเรามุ่งเน้นที่ว่าผลของกรรมเกิดขึ้นอย่างไรเนี่ยเราหิุดเลียงไม่ได้เราแก้ไขไม่ได้แต่ในการวางใจที่อยู่กับมันเนี่ยเราสามารถเลือนได้เช่นผลของกรรมจากการกินจากการใช้ชีพิตหรือจากพันธุ ก, กรรมนะทาให้เราได้ต้องเป็นมะเร็งเนี่ยนี่คือผลที่เราได้รับที่ภพกษาแล้วนะหมอก็อาจจะช่วยแก้ไข ช่วยรักษาหรือแก้ไขไม่ได้อาจเป็นบรรทัการไปนี่คือผลของกรรที่มันเกิดขึ้นแต่ในการบางเพ็ญบา ร, รมีหรือการฝึกตนนะก็คือการที่เรายอมรับผลที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายนี้แต่จิตใจเราไม่จะเป็นต้องไปทุกข์กับมันนะอจิตใจของเราก็เห็นแค่ว่านะเห็นว่ากายมันเป็นทุกข์แต่จิตใจนี่ให้พยายามรักษาก็เป็นปกติ ให้มีสติรู้เท่าทันวิญญาที่มันโด่งไปยึดว่ากายเนี่ยมันเป็นของเราด้วยไปตอนไหนที่มันด่งว่าเป็นท้องที่มันปวดนี่เปนท้องของกูกูปวดท้องมากเนะแล้วก็เอากิตออกมานดึงจิตก อ, อกมาเป็นปกติแทนตอนไหนที่มันหว่วงเนี่ายมันจะหายใจไม่ออกหรือเปล่าวะแต่ขาดใจกายหรือเปล่าวะนีะ่ก็มีสติรู้ทันว่าใจเราไปจมกับความคิดนี้ หรือตอนไหนที่มันไปเครียดไปรู้ว่าทําไมต้องเป็นเราด้วยอุตส่าห์ดูแลสุขภาพกายอย่างดีทําไมต้องมาเป็นเราด้วยอุตส่าห์ปฏิบัติทำแล้วทําไมกรรดีไม่สมผลให้เป็นแบบนี้ด้วยเนะีเมื่อไรที่คิดแบบนี้แต่ว่าจิตมันเป็นจมกับความคิดกับความรู้มีสติรู้ทันถอนออกมาถอนอกากาเ ป, ป็นปกติอันนี้แหละคือการที่เราฝึกนะแล้วฝึกแบบนี้ยหละนะในทุกอย่าง คำที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็น่เพียงแค่วิบากการภายนอกนะแต่มันจะส่งผลทำให้เรายกระดับจิตจะระดับใจออกมามันสูงขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้คือการที่เรามีชีวิตนะเพื่อตรง น, นี้แหละว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะการที่เราได้มีชีวิตเนาะที่มันน้อยนิดนะประมาณจะเดีย่ยประมาณเท่าไหร่เจ็ดสิบปีแหละบางคนอาจจะอยู่เกินบางคนอาจจะอยู่ประมาณนั้นบางคนอาจจะอยู่สั้นกว่านั้นอีก เราต้องไม่รู้นะชีวิตนี่มันสั้นมากนะเหลืแค่ไม่กี่ปีแล้วก็ก็ตายแล้วนะโดยเฉพาะตอนนี้พวกเรา จ, จะใช้มาเกินครึ่งแล้วก็ได้นะอาจจะเหลอมีไม่มากนั่นะดังนั้นทำมาว่าสิ่งที่มีค่าสิ่งที่มีความสําคัญนะ่นะในเรื่องของจิตใจเนี่ยเด้แรกเริ่ดเลยแล้วก็พยายามฝึกัดให้มากๆนะนะเรื่องของกายเรื่องของทางโลกเราก็ทําไปตามหน้าที่ ตามสมมุตินะแต่เรื่องของความวิมุตตินี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะวิมุตตินี่ไม่ไม่จะเป็นว่าเราต้องหนีไปอยู่ป่าคนเดียวไม่จะเป็นว่าเราต้องมาบวชเป็นพระเปิดเป็นชีนะไม่จะเป็นว่าเราจะต้องเป็นพระอริยะบุคคลเท่านั้นถึงจะเข้าถึงความวิมุตติได้ที่จริงวิมุตติก็คือการที่เรียกว่าจิตมันพ้นออกจากความทุกข์แม้ชั่วขณะเดียวนี่ก็น่ายินดี ถ้าเราสามารถทำได้ติดๆทีทีบ่อย่อยในแต่ละวันนียิ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีก็คือเมื่อไรที่จิตมันไปนจมกับความกับกิเลสก็คือความโลคมโภความโกรธความหลงความรักความชังความเห็นผิดความสาคัญมั่นหมายว่ากายนี้เป็นของเราว่าใจนี้เป็นของเราว่าลูกนี้เป็นของเรา นะว่าสามีภรรยานี้เป็นของเราว่าเงินทองตำแหนง่งชื่อเสียงนี้เป็นของเรานะเมื่อใดที่ใจมันไปสําคัญจิตเช่นนั้นเรามีสติ ค, คอยรู้ทันว่าใจมันเถื่อนเป็นยึดไว้แล้วนะเพียงแค่รู้แล้วก็ไม่ต้องรู้เฉยเมยเมื่อเรารู้เฉยมันจิตมันจะคลายตัวเองแต่ถ้าเรายังไม่รู้เฉยนะรู้แล้วก็ยังแบบดีใจยังเสียใจอยู่มันยิ่งยึดมากขึ้น เพียราอาจจะเปลี่ยนตัวเชื่อเฉยนะเปลีああ่ยนเช่นสมตินะว่าเราเห็นว่าเราไปโกรธคนอื่นนะควาโกรธมันไม่ดีนะพอเห็นแล้วจิตเราโกรธถ้าเราไม่รู้เฉยเฉยเนี่ยเราก็จะพันถ้าเราเป็นจิตดีเนี่ยกูไม่นานโกรธเลยในความเป็นปฏิบัติทำนม้นั้งหลายปีก็ไมยังโกรธอยู่นะไปยึดนะว่าความโกรธนี่เป็นของเรานะ หรือบางทีเกิดความคิดชั่วโขึ้นมาเป็นคิดไม่ดีนะเป็นคิดชั่วนิดนึงนะก็ไปยึดว่าโหทําไมฉันเป็นคนไม่ดีฉันคิดไม่ดีแต่จริงถ้าเรามีสติเห็นว่าความคิดไม่ดีมันเกิดขึ้นมานะก็มีเหตุมีปัจจัยจเช่นนี้นะเราก็ไม่ต้องไปยึดมันก็ปล่อยไปเหมือนกับคล้ายนะ ถ้ามีกองอยู่ในมือเรานะัะแล้วก็แบแล้วก็ฟล้องไปมันก็ตกเป็อย่างแบบนะถ้ามันไม่ติดกาวนะของไม่ยติดกาวได้นะแต่จริงความยึดติดของเราก็เหมือนเนะี่ยเราติดกรรมจะไปยึดมันไว้เราไม่รเราปล่อยไม่ยอมวางไม่ยอมรู้เฉยเฉยนะสตินะี่ะไปไช่วยให้เรารู้แล้วก็วางรู้แล้วก็เห็นสิ่งต่างๆมันเกินดนันเับถ้าสติมันตั้งมัน่นนะมันจะรู้เห็นทุ้งยางผ่า น, ผ, านผ่านมาผ่านไป นะ่าพลาดในะไม่เข้าไปยึดหรือเมื่อใดที่มันลงไปยึดมันก็จะวางเขาหนึ่นี่คือติ่งที่เราฝึกความเป็นเจตจำนงนะถ้าเราฝึกมากก็สามารถทําได้มากนะ่แต่ที่สําคัญฝึกมากนีน ไ, ไม่ใช่แค่เพียแค่ขยันแต่ต้องทําให้ถูกด้วยนะนะการทําให้ถูกที่สํำคัญคือการวางใจนะการทําให้ถูกไม่ใช่เป็นการก๊อป้ที่รูปแบบภายนอก เรครูบาาจาร น, นั่งสมาธิเราก็จะนั่นสมาธิตามเราครูบาาจารเดินจงกรมเรากจะเดินจะกรมตามบางทีเราคนเห็นครูบาจารย์ไม่เห็นทำอะไรเลยเดินไปเดินมาทำา น, ทานั่นทำนี่โอ้ท่านใจสบายก็ไม่ต้องทำก็ได้นะแต่จริงท่านทำเขียนมาพอสมควรนั้นนะท่านจะทำสบายๆท่านทำนั่ยยะนทำนี่ได้เยอะครับบางทีเนี่ยเหมือนสุภากิตที่บอกเห็นช่างขี่นะไม่ได้ไปขี้ตามช้างนะบางที มันต้องดูที่ตัวเองนะดูที่ตัวเองว่าแล้ต้องดูว่าเราเราทาแบบไหนนะระวังใจแบบไหนแล้วสติมันเกิดขึ้นทำไที่มันเกิดขึ้นหลักตรงคือคือการวางใจนะวางใจกังปลานะไม่เพ่งไม่จ้องคุณทำไหนล้วต้องคอยสังเกตเพราะอันนี้คือการจ้องอันนี้คือการเพ่งอันนี้คือการเผลอนะวางใจแล้วมัเผลอพุ่งไปเรื่อยเลย เดินจกงกรมนั่งสมาธิยกเนือสร้างจิตวัตมีแต่เรื่องฟุ้สร้างสติรำมาไม่ได้เลยเนี่ยวางใจกลางกลางเป็นแบบไหนไม่เพ้งไม่เจ้าวางใจแบบไหนไม่ดนความอยากมาครอบงำนะไม่ใช่อยากปฏิบัติเพื่อจะปวดใครอยากจะได้อะไรอยากจะมีอะไรนะแต่ปฏิบัติไปนะเพื่อให้รู้ทันนะให้รู้จักความจริงของชีวิตนะ บางใจแบบไหนแบบนี้เนะี่ยนองดูนะแล้วก็ดับสำคัญเนะี่ยถ้าเราทําถูกนะแล้วก็มีความเคียนต่อเนื่องเนะี่ยผลย่อมตามมานะสาคัญนะนะี่ยทำถูกทําต่อเนื่องนะก็ย่อมเกิดผลถ้าแค่ทําถูกแต่ไม่ทําต่อเนื่องเนะี่ยก็ไม่เกิดผลเหมือนกันนะหรือว่าทําต่อเนื่องแต่ทําผิดเนะี่ยก็ไม่เกิดผลนะนะต้องเหตุ ปัจจัยครบทวนนะถึงสมบูรณ์นะตรงนี้นะเราก็ต้องทำแบบนี้ให้มันได้เรื่อยๆนะนะอันนี้คือคือธรรมะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บอกสอนพวกเราไว้นะแล้วก็ยังไม่ได้จางคลายไปจากโลกนี้เลยนะยังอยู่กับโลกนี้ตลอดไปนะแต่มันอยู่ที่ผู้ที่มาศึกษานะแล้วก็ ผู้ที่นบไปปฏิบัตินะก็จะย่อมเกิดผลก็คือปฏิเวทก็คือผลของการปฏิบัตินะเนี่ยให้พวกเราได้มีความมีความเพียรที่ถูกทางนะก็จะย่อมได้มรดิได้ผลได้ผลของการภาวนานะทุกคนทุกท่านเนาะก็มืพูดให้ได้ยินได้ฟังให้เป็นคกาลังใจแล้วก็ให้ได้เกิดการปฏิบัติต่อไปเนาะนะนี่เมันแตกตื่นกว่า